รูบาขาวปีวัดพระพุทธบาทผาน้นาเคยเป็นช้างนาราคีริงส่วนในหลวงองค์ปัจจุบันเป็นช้างป่าเลไลนะหลวงปู่สิมพุทธาจาโรโสรสำนักสงฆ์ถ้ำผาปล่องจังหวัดเชียงใหม่คัมภีรอนาคตวงบันทึกว่าพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตช้างป่าเลไลจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต หรือเป็นพระโพธิสัตว์เป็นองค์ที่1ิบต่อจากพระศีอริยะเมตรัยก่อนหน้าที่หลวงปู่สิมพุทธาจาโรจะเข้าวังเพื่อรับพระ gods, im, am, am, ราชทานเลื Spider, ่อนสมณศักดิ์หลวงปู่สิมพุทธาจาโรได้ประสบอุบัติเหตุตกเหวที่หลังกุฏิที่ถ้ำผาปล่องซึ่งมีความลึกถึงราวห้าเมตร ซึ่งหากเป็นคนธรรมดาการกลิ้งตกลงไปลึกเพียงนั้นหากไม่โดนแง่หินภูเขาอันคมกริบแทงตายก็ต้องบาดเจ็บสาหัสอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นแน่นอนแต่หลวงปู่ท่านกลับไม่ได้ถึงแก่การมรณะภาพหรือบาดเจ็บสาหัสอย่างที่น่าจะเป็นแต่ประการใดๆเลยเว้นแต่มีแผลช้ำที่บริเวณใบหน้าและตามลำตัวเล็กน้อยเท่านั้นสร้างความแปลกใจให้แก่บรรดาิทธิอนุสิต ผู้ที่มีโอกาสได้เข้ากราบใกล้ชิดและทุกๆคนก็ยิ่งแปลกใจยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อหลวงปู่สิมท่านบอกเป็นนายภายหลังเหตุการณ์ร้ายแรงที่สุดนั้นว่าจริงๆแล้วที่ตายของหลวงปู่ก็อยู่ที่ก้นเหวนั่นแหละนะจนกระทั่งเมื่อหลวงปู่สิมได้เข้าไปรับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535และละสังขารอย่างกระทนหันในอีกสองวันต่อมา แท้ที่จริงแล้วการที่หลวงปู่สิมท่านยังไม่ลาสังขารตอนที่ตกเหวและอยู่ต่อมาอีกเดือนเศษด้วยความยากลำบากขันเป็นยิ่งนักจุดประสงค์ที่มีอยู่เพียงสถานเดียวก็คือเพื่อถวายกุศลในหลวงเป็นครั้งสุดท้ายโดยตรงเพียงเท่านั้นเท่านั้นเท่านี้นจริงๆเมื่อถึงเวลาเดินทางไปพระราชวังหลวงปู่อาภาษหนักมาก แต่ท่านก็อดทนจนเสร็จพิธีเมื่อเข็นรถของหลวงปู่กลับออกมาจากประตูพระที่นั่งพอท่านเห็นคณะที่ไปรอรับหลวงปู่สิมท่านก็ปารภ ก, กับพระอุปัากว่านนเอ้ยหลวงปู่หมดภาระแล้วหมดเรื่องหมดราวเสียทีแล้วท่านก็ละสังขารอยู่ในท่าศีหสายยา์สยญาตในกุฏิหลังจากกลับไปถึงวัดได้หนึ่งวัน หมายเหตุหลวงปู่ไม่ได้ต้องการไปเพื่อรับพระราชทานยศแต่ท่านต้องการไปถวายพระพรและถวายกุศลแด่ในหลวงจึงอดทนแม้อาพาธหนักประคองลมหายใจสุดท้ายที่เหลือเพื่อถวายกุศลแด่ในหลวงเป็นครั้งสุดท้ายจริงๆประวัตยิย่อหลวงปู่สิมพุทธาจาโร หลวงปู่สิมตั้งใจออกบวช ด, ด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ17สา ม, มเณรสิมได้ฟังธรรมะและได้เห็นข้อวัดของพระอาจารย์มั่นเกิดความเลื่อมใสเป็นอย่างมากจึงขอถวายตัวเป็นสิทธิโดยขอยาติใหม่มาเป็นธรรมยุติกะนิกายโดยมีพระอาจารย์มั่นเป็นประธานในพิธีและตามพระอาจารย์มั่นไปจำพรรษาในจังหวัดนครพนมเมื่ออายุครบจึงได้อุปสมบท และจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์สิง์ขันตยาคโมซึ่งสอนให้พิจารณาอาสุภะกรรมฐานโดยขุดศพขึ้นมาพิจารณาและหลวงปู่สิมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยถือการไปเยี่ยมป่าช้าเป็นทุดดงคขวัตรทุดดงคขวัตรคือข้อปฏิบัติที่ทำเป็นประจำปีพุทธศักราชสอง9พรรษาที่8สมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนติดโศ ส, สังคายกรูปแรกของไทย ได้เอ่ยปากขอตัวหลวงปู่สิมกับท่านพระอาจารย์สิงห์ว่าพระองค์นี้มีลักษณะเป็นผู้มีบุญบารมีผมขอตัวไปอยู่ด้วยจะขัดข้องหรือเปล่าหลวงปู่สิมจึงได้ร่วมเดินทางมากับสมเด็จที่วัดบารมีวาามาจําพรรษาและศึกษาพระธรรมวินยัยทําให้หลวงปู่สิมได้รับความรู้แตกฉานในพระธรรมวินัยมากขึ้น หลวงปู่สิมอยู่รับใช้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์และรับทาหน้าที่อบรมสั่งสอนกรรมฐานให้แก่พระเนนจำนวนมากต่อมาได้ขออนุญาตเดินทุดงมาโปรโดญาติโยมที่บ้านเกิดตามคำอาราธนาได้ก่อตั้งสำนักสงฆ์และพัฒนาต่อมาเป็นวัดสันติสังคารามในปัจจุบันซึ่งมีสาขาอีก9ก้าแห่ง หลวงปู่สิมชื่นชอบการปลีกวิเวกไปตามป่าเขาและถ้ำต่างๆได้จ่าริกธุดงไปบำเพ็ญเพียรณสถานที่วิเวกหลายแห่งในภาคอีสานและเหนือวัดสันติธรรมที่เชียงใหม่ก็เกิดจากดําริของหลวงปู่สิมโดยลูกศิษย์ตั้งใจสร้างถวายท่านแม้จะชอบการปลีกวิเวกออกธุดงแต่เมื่อเกิดเหตุจําเป็นหลวงปู่สิมก็ต้องลงไปช่วยเป็นรักษาการเจ้าอาวาสวัดอโศการาม และเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาดอยู่ระยะหนึ่งตามคำขอของพระผู้ใหญ่และต่อมาพุทธศักราชส5 1 0ศูนย์จึงได้ขอวางภารากิจทั้งหมดเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพและได้มาจําพรรษาที่วัดถ้ำผาปล่องตลอดมาหลวงปู่สิมเป็นพระที่ขยันเอาจริงมาตั้งแต่เป็นสามเณมรเช่นการขุดสระน้าที่คนอื่นทิ้งงานท้อกันไปหมดแล้ว แต่กลับเหลือสามเณรสิงห์ขุดอยู่คนเดียวด้วยความมุ่งมั่นเมื่อเป็นเจ้าอาวาสท่านก็มีเมตตากับพระลูกวัดเมื่อพระเนนอาพาธท่านจะเฝ้าจนกว่าผู้ป่วยอาการจะดีขึ้นเมื่อครั้งชาวบ้านทั้งสี่ตำบลได้อารัธนาหลวงปู่ให้มาเป็นประธานในการทําฝ่ายน้ําล้นลําน้ําอุน่นท่านก็ลงมือทําอย่างเต็มที่คือเริ่มงานตั้งแต่ตีสี หยุดพักฉันอาหารตอนสิบโมงเช้าและทำงานต่อจนถึงหนึ่งทุ่มจึงทำวัดสวดมนต์แสดงธรรมและทำงานต่อกว่าจะได้จำวัดก็สี่ทุ่มหรือบางวันก็ตีสองจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมท่านพร้อมจะทุ่มเทให้อย่างเต็มที่โดยที่ในเรื่องกิจของสงฆ์ท่านก็มิได้มีข้อวัดใดบกพร่องเลย หลวงปู่สิมเน้นย้ำให้เห็นความสําคัญของการปฏิบัติภาวนาว่าเป็นหนทางอันสูงสุดที่จะทําให้คนพ้นทุกข์ดังคําสอนตอนหนึ่งว่าทางพระสอนให้ละชั่วทําความดีแต่ก็ไม่ให้ติดอยู่ในความดีให้บําเพ็ญจิตให้ยิ่งขึ้นจนถึงไม่ติดดีติดชั่วจึงจะพ้นจากโลกนี้ไปได้เพราะแม้คุณความดีจะส่งผลให้เป็นสุขไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ เป็นเทพอินพรหมก็ตามแต่เมื่อกำลังของกุศลกรรมความดีนั้นๆหมดลงก็ยอมต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกทางพระจึงมุ่งสอนให้มุ่งภาวนาทำจิตให้รวมระวังตั้งมัน่นทำจิตให้มีปัญญารู้ความเป็นจริงด้วยตนเองจนถอดถอนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นต่างๆออกสะจึงจะเป็นไปเพื่อความสิ้นพบสิ้นชาติหมดทุกข์หมดยาก โดยแท้จริงหลังจากทุดงไปหลายแห่งและหมดภารกิจทางคณะสงฆ์ในปีพุทธศักราช2510หลวงปู่สิมได้มาจำพรรษาถาวรที่วัดถ้ำผาปล่องในคืนวันที่13สิงหาคมพุทธศักราช2535หลังจากพาพระเนนและญาติโยมนั่งภาวนาถึงเวลาประมาณ21นาฬกา30นาทีท่านก็นั่งพัก ตรวจดูบริเวณภายในถ้ำอีกประมาณ20นาทีคล้ายกับเป็นการอำลาก่อนกลับเข้ากุฏิที่พักด้านหลังภายในถ้ำผาปล่องและได้มรณภาพในเวลาประมาณตีสาสิริอายุของหลวงปู่สิมพุทธาจาโร82ปี9เดือนรวมเวลาที่บวช63พันษา